ปาราชิกสิกขาบทที่7ถามเพราะไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งเป็นปัจจัยต้องอาบัติเท่าไหร่ตอบเพราะไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งเป็นปัจจัยต้องอาบัตห้อย่างคือหนึ่ง ภิกษุณีประพฤติตามภิกษุผู้สงลงอุเขปนิยกรรมไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งจบยัติต้องอาบัติทุกกฎ 2. จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุลใจสามจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตปาราชิก 4. ภิกษุณีประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงส่วนสมานุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตสังคาทิเศต 5. ไม่ยอมสละทิฏฐิบาปจนกระทั่งสงส่วนสมานุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตปาจิตตีเพราะไม่ยอมสละกรรม จนกระทั่งสงสวดสมนุภาสครบสามครั้งเป็นปัจจัยต้องอาบัตห้าอย่างเหล่านี้